คืนที่ผ่านมามีหลายคนนะที่ไม่ได้นอนเลยนะเพราะว่าปฏิบัติตลอดทั้งคืนนะตั้งแต่ทำวัดเย็นนะเมื่อวานจนถึงตอนนี้ก็ช่วยมีหลายคนเดียวนะที่ไม่เคยปฏิบัติข้ามคืนแบบที่เรียบรรลุสัจชิกอย่างนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรก แล้วก็มีหลายคนนะที่ว่าแม้จะไม่ได้ปฏิบัติข้ามคืนหรือทั้งคืนแต่ว่าก็ไม่เคยทำนานหรืออดนอนเท่านี้มาก่อนบางคนก็ทำถึงที่อ่คืนทั้งที่ปกติก็สามทุ่มสีทุ่มก็ยอมแพ้แล้วเข้านอนแล้วสำหรับคนที่ ทำความเพี่ยนแัลงที่เป็นครั้งแรกเนี่ยก็ยอมพบความจริงอย่างหนึ่งนะว่าทำเช่นนี้ได้เนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญเลยนะร่างกายนี่ก็เป็นเรียกว่าส่วนเสริมมากกว่าหมายความว่าแม้ว่าร่างกายจะอ่อนเพลียปวดเมื่อย นะหรือว่าถูกความง่วงรุมเรา้าแต่ถ้าใจนะบุงมั่นเรียกว่าใจสูนะ้ก็สามารถที่จะพาตนนะมาถึงช่วงเวลานี้ไดนะ้โดยที่ไม่ได้หลับนอนอาจจะมีบางครั้งที่รู้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวคือคิดว่ากายไม่ไหว แต่พอใจไหวใจสู้นี่ก็พากายให้ปฏิบัตินะจนมาถึงเวลานี้ได้ไเรว่าอยู่ที่ใจนะการปฏิบัติให้สำเร็จหรือว่าใหเา้เกิดความสำเร็จอย่างที่ต้องการเนี่มนยมัที่ใจเป็นสำคัญ จริงมันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการปฏิบัติหรือทําความเพียรอย่างคืนนี้เท่านั้นนะแม้กระทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในชีวิตประจําวันเช่นความสุขความทุกข์นะี่ยมันอยู่ที่ใจนะมันไม่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเอยู่ที่ใจเป็นสำคัญ น, นะหมายความว่าแม้จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเรา คำต่อว่าดาทอความล้มเหลวอุปสรรคความยากลำบากหรือแม้มแต่ความเจ็บความป่วยแม้เกิดขึ้นใจเราไม่ทุกข์ก็ได้นะเพราะมีที่ใจนะจะเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อใจเนี่ยนะ ค่าให้ค่ามันในทางลบนะหรือว่ามีอาการผลักไสมันแต่ถ้าว่าใจเนี่ยนะไม่ได้มีอาการอย่างนั้นนะยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือว่าให้ค่ามันในทางบวกมองมันในทางที่นะเป็นบวก หรือเพียงแค่รับรู้มันเฉยเฉยไม่มีอาการผักใส่ต่อต้านหรือความรู้สึกเป็นลบใจก็ไม่ทุกนะหรือจะเรียกว่าไม่มีความทุกเกิดขึ้นก็ได้สิ่งที่พระเรียกว่าอนิจจารมเนี่ยคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจรวมทั้งเหตุการณ์ในทางลบเช่โลกธรรม ฝ่ายลบนะซึ่งมีสีประการเนี่ยนะเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาว่าร้ายหรือว่าความทุกข์แล้วซึ่งที่จริงก็รวมไปถึงความสูญเสียอย่างอื่นความเจ็บความป่วยทั้งหมดนี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นทุกข์ทันทีนะมันอยู่ที่ใจนะว่าใจเนี่ยมีปฏิกิริยาหรือมีอาการอย่างไร ต่อสิ่งเหล่านั้นนะทางเล่าว่าเราวางใจถูกวางใจเป็นนะแม้จะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นนะแม้จะมีอนิจจารมมากระทบแต่ว่าใจก็ไม่กระเทือนนะไม่เป็นทุกข์ไม่เกิดความขับแค้นหลายคนเนี่ยเวลาเจอเสียงดังนะ จะรู้สึกงหดหงิยขึ้นมาทันทีแล้วคิดว่าเนี่ยที่งดหงียหรือที่เป็นทุกข์เนี่ยนะมันเป็นเพราะเสียงแต่จริงไม่ใช่นะสิ่ง้ำมันอยู่ที่ใจหรือเป็นเพราะใจเราต่างหากนะถ้าใจเราไม่ร่วมมือด้วยน ะ, อะไอ้เสียงมันมากระทบหูเราอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะอย่างมีพุชายคนนึงเนี่ย ทุกเช้านี่แกจะทำสมาธิเจริญสติวันหนึ่งก็40นาทีบ้าง45นาทีบ้างแล้วก็ทุกวันก็ปฏิบัติได้ดีแต่ว่าเช้าวันหนึ่งปฏิบัติไปได้สักพักบอกว่ามันมีเสียงค้อนดังที่รกเสียงค้อนดังนะก็ไม่เท่าไหรนะสักพักก็เสียงเลื่อยยน คือมีการก่อสร้างกันอยู่ใกล้ๆเสีงเยงไรยนี่พอมากระทบหูเนี่ยนะใจ ก, ก็เพิ่มเลยนะนก็เพิ่มด้วยความไม่พอใจแต่มีสติเห็นนะเห็นอาการของใจพอรู้ทันอาการที่ใจก็เพิ่มเนี่ยใจมันก็สงบลงแต่ถ้าพักเผลอใจก็ ก, กเพิ่มขึ้นใหม่ วมืรู้ทันใจก็กลับมาเป็นปกติเป็นอย่างนี้หลายครั้งจนกระทั่งชายคนนี้ก็ลองนะพิจารณาที่เสียงที่มากระทบนั้นเนี่ยอยากจะลองดูว่ามันเป็นยังไงแล้วก็สังเกตนะเสียงที่มากระเสียงเร่ยยนเนี่ยบางครั้งมันก็กระชากกระชั้นบางครั้งมันก็ ลากยาวบางครั้งมันก็เสียงดังบางครั้งเสียงค่อยบางครั้งเสียงสูงบางครั้งเสียงต่ำตฟังไ้ฟังไปก็เ อ, อพิจารณาดูมันเหมือนเสียงเพลงนะเพลงแบบเพลงเฮฟวี่อย่างนี้ทันทีที่มองว่าเป็นเสียงเพลงนะใจสงบเลยและไม่ใช่สงบเฉยเฉยนะเกิดความเพลินนะมีช่วงหนึ่งเสียงเร่ยยนหายไป ผู้ช่านั้นเนี่ยแกนึกในใจเนาะอยากให้เสียงมันดังขึ้นมาใหม่นี่แปลกนะทีแรกเนี่ยใจคงอยากให้เสียงมันดับเงียบหายไปเพราะว่ารู้สึกหงุดหงิดแต่ทําไมตอนนี้เนี่ยความรู้สึกกลับตรงข้ามนะอยากให้เสียงมันกลับมาใหม่มีความรู้สึกเพลินนะกับการที่ได้ยินเสียงเพลง ซึ่งจริงม่ใช่เสียงเพลงก็คือเสียงเรื่อยยนยังเสียงก็เหมือนเดิมแต่ทําไมใจไม่ทุกข์ละก็เพราะว่าไม่ได้มองว่าเป็นเป็นเสียงรบกวนไงแต่ว่ามองว่าเป็นเสียงเหมือนกับเสียงเพลงอันนี้มันเชื่อเลยนะว่าไอ้ความหงุดหงิดความทุกข์ของคนเราเนี่ยมนไม่ได้ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรามากเท่ากับว่า เรารู้สึกกับมันอย่างไรหรือใจเรามีอาการกับมันอย่างไรมันไม่ใช่แค่เสียงเพลงที่มากระทบนะแม้กระทั่งเสียงที่มาแม้กระทั่งสิ่งที่มากระทบกายเราจนเกิดความเจ็บปวดเนี่ยแต่ทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจนะทั้งทั้งที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบหรือว่ามันกระแทกกับกายนะอย่างเต็มที่เลยเคยพาคนไป เดินจงกรบนะทุกเช้านะเดินด้วยการถอดรองเท้านะเดินไปตามพื้นหญ้าบ้างพื้นถนนบ้างนะบางทีถนนก็ขกรุขระแต่ว่ามันก็ไม่หนักเท่ากับว่าไปเจอมดนะโดยเพราะมีเช้าวันหนึ่งเนี่ยนะก่อนเดินฝนตกพรำๆนกมันก็มดมันก็ นะแตกรังนะออกมาจากรังคนที่เดินเนี่ยเดินเป็นแถวยาวเพราะิว่าทีแรกก็เดินสำรวมนะแต่พอเดินไปสักพักนี่เสียงเสียงพึบพับพึพบพับเสียงตบนะเสียงตบขาเสียงตบกางเกงหรือสลัดกางเกงอาการสำรวมนี่หายไปเลยเนะพราะว่ามดนี่มัน ไตขึ้นไปตามขาขึ้นไปในร่มผ้านักปฏิบัติทําหลายคนโอ้ยเดินจงกลมช้านั้นด้วยความทุกข์มากนะพอเดินเสร็จก็เลยคุยกันนะแล้วก็บ่อยเขารู้ว่าจริงๆเนะี่ยร่างกายมันไหว้ที่มันไหวคือใจนะถ้าเราเดินยังมีสตินะมันก็จะปวดแต่กายนะแต่ว่าใจ ไม่ได้ทุกไปด้วยนะเช้าวันลงขึ้นเนี่ยก็เดินตามปกติเช่นเคยตามกำหนดแล้วก็เช่นเคยนะมดเนี่ยนะมันมีฝนตกมาพรำพรำก่อนหน้านั้นน้ฝนจะหายไปแล้วเมื่อเริ่มเดินแต่ว่าพอเดินไปได้สักพักหลายคนก็พบว่ามดเนี่ยมันเริ่มไต่มาตามตัว โดยพอเวลาหยุดนะพอเวลาตมาพาเดินเนี่ยก็จะมีบางช่วงที่หยุดนะแหยุดเป็นระยะมีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเล่าว่าเนี่ยตอนที่มีสัญญาณบอกให้หยุดเนี่ยบอกว่าไปหยุดนะยู่ตรงรังมดเลยแต่ว่าเตรียมใจไว้แล้วนะเขบอกว่าเนี่ยเออได้หยุดบนรังมดสมใจเลย อยากจะลองดูนะว่าคราวนี้ทํำมดขึ้นมาเนี่ยเราจะวางใจอย่างไรก็บอกว่าพอมดนี่มันไต่ขึ้นมาตามขาเนี่ยทงแรกนี่เกิดความกลัวนะเกิดความกลัวมดจะไม่ทันทําอะไรเลยกลัวแล้วละแต่ก็มีสติเห็นความกลัว พอมีเสียงความกลัวความกลัวก็ดับไปมีเสียงในใจขึ้นมาว่าเนี่ยทำใจสบายๆเช้านี้เป็นไงก็เป็นกันนะคือพร้อมยอมนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะดูไปอย่างเดียวเห็นความกลัวก็ดูนะความกลัวแล้วก็เห็นมันดับไป อันนี้มดเนี่ยพอมันขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆแล้วมันก็เริ่มกัดแล้วนะแต่ก่อนที่จะกัดเนี่ยนะหรือพอจะเริ่มเริ่มพอมดเนี่ยมันเริ่มกัดเนี่ยก็สังเกตเลยนะความรู้สึกหรือเวทนามันเป็นยังไงความรู้สึกคือมันเหมือนกับว่ามือนกระโดนทูบจุดนะเหมือนกับโดนทูบเนี่ยจี้เป็นจุดจุด นะร้อนแสบบางช่วงนี่นะมันก็หมายความว่าทูบจี้ ต, ตื่นแต่บางช่วงนี้บางจุดนี่มันก็ทูนมันจี้ลึกๆมีเวทนาเกิดขึ้นมีความปวดเกิดขึ้นแต่ดูมันนะดูมันแล้วก็มาสังเกตที่กายนะมาสังเกตกายกายเป็นยังไงนะกล้ามเนื้อเกร็งนะ หัวใจเต้นเร็วหายใจที่สั้นนะกัดฟันเม้มปากเห็นอาการของกายแล้วก็ดูมันเฉยๆเพราะว่ามันเริ่มนะมีความกระสับกระส่ายก็มาเห็นมาดูมันนี่ความกระสับกระส่ายก็สงบลงถึงตอนนี้เนี่ยนะเธอเล่าว่าเนี่ยใจมันสงบนะใจมันสงบ ทัง ท, ที่ความปวดหรือเวทนาก็ยังเกิดขึ้นนะยังยังกระทบอยู่แต่ว่าใจมันสงบแนละ้วยังแปลกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าทำไมนี่มันสงบได้ไอ้ความกลัวมันหมดไปมันหายไปความกระสับกระส่ายหายไปนะความปวดมีอยู่นะแต่ว่าใจมันนิ่งแล้วก็เห็นเลยนะว่าโอ้ไอ้ความเจ็บปวดก็อันหนึ่งนะ กายคือลมหายใจมันก็อันหนึ่งนะจิตนะมันก็อันหนึ่งเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตที่มันแยกกันนักเสที่เกิดขึคือใจที่สงบนะไม่มีความโกรธนะไม่มีความหงุดหงิดไม่ว่าจะโกรธมดหรือว่าหงุดหงิดความเจ็บปวด กับรู้สึกนะเห็นใจมดนะเออเรามารบกวนเขานะแล้วก็กลับมองว่ามดนี่คืออาจารย์นะขอบคุณอาจารย์มดนะที่มาสอนให้เราเห็นนะว่าไอเวทนาก็ดีกายก็ดีจิต ก, ก็ดีนี่มันคนละส่วนกันนะพอเห็นมันแยกกันคนละส่วนกันแล้วจิตสงบแล้วเกิดความ เปเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยนะก็คือว่าทาั้งที่ปวดนะเพราะมดกัดนะแต่ว่าใจสงบคุณทวดเห็นเลยนะว่าไอความปวดเนี่ยนะที่เกิดขึ้นกับกายเนี่ยมันไม่ทาให้ใจทุกข์เลยเพราะอะไรนะเพราะมีสติมีสติตั้งแต่มาเห็นอาการของจิตนะเห็นความกลัว มีสติเห็นอาการของกายมีสติเห็นเวทนาแต่ทำไมคนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยเวลามดกัดจึงเจ็บแล้วเป็นทุกข์ก็เพราะใจไงใจใจเข้ามันไม่ได้เข้าไปมันไม่ได้เห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับเวทนากับจิตแต่มันเข้าไปเป็นนะอย่างที่หลวงพ่อคำเคยนว่าเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นถ้าไม่อยากทุกข์เนี่ยก็ให้เห็น โดยเพราะเห็นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เข้าไปเป็นเป็นผู้เจ็บเป็นผู้ปวดหรือเขาไปยึดเข้าไปถือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาเกิดความกลัวมันไม่ใช่แค่กลัวเฉยๆนะมันเป็นผู้กลัวด้วยเวลาเจ็บมันไม่ใช่แค่มีความเจ็บเกิดขึ้นเฉยๆนะมันเป็นผู้เจ็บด้วยคือเขา้เขาไปยึดนะเข้าไปยึดเข้าไปเป็นอันนี้เรียกว่าเนี่ยไอ้ที่ทุกเนี่ยนะ มันเป็นพ่อใจนะแม้กระทั่งเมื่อมีความปวดเกิดขึ้นกับกายแต่ทุกที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยหรือความทรมานที่เกิดขึ้นตามมา เ, เป็นพ่ใจน่าจะไม่ใช่สิ่งที่มาทำให้เกิดทุกขเวทนาทางกายแต่พอมีอะไรมากระทบเนี่ยนะเผลอเมื่ อ, อไหร่ก็ปความโกรธไว้ความโศกความเศร้าความเครียดความหงุดหงิดเกิดขึ้น อย่างผู้ชายคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเผลอเมื่อไหร่นะใจมันก็หงุดหงิดเมื่อได้ยินเสียงเลื่อยยนแต่พอมีสติเมื่อไหร่นะใจก็สงบแต่พูดอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าเมื่อคนเราเนี่ยมันมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราจะเป็นทุกข์ทันทีนะแม้ว่าจะเผลอนะเออรูปรสกินเสียงมากระทบ ใจกระเทือนกระเพื่อมเกิดความโกรธความโศวความเศร้าความเครียดนะความอิจฉามันก็ไม่ได้แปลว่าจะทุกทันทีนะมันจะทุกข์ก็ต่อเมื่อไปเกี่ยวข้องไม่ถูกนะกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นลําพังเนี่ยเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นจากการกระทบเนี่ยมันจะไม่ทําให้เกิดความทุกทันทีนะจนกว่า ใจจะเข้าไปเนะข้าไปยึดเนะข้าไปยึดอารมณ์เรานั้นนะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าไปผักไสมันตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกขนะ์แต่ถ้าหากว่าแค่เห็นมันเฉยๆนะไม่ไปยึดไม่ไปถือมันอารมณ์พวกนี้ก็ไม่ก็ทำให้ใจเป็นทุกข์ไม่ได้ทั้งที่มันเกิดขึ้นแล้วนะ แต่ว่าไม่ได้ทาให้ใจเราเป็นทุกข์จนกว่าใจนี่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันเข้าไปยึดถือมันไม่มีคนเปลี่ยนเข้าไมีคนเปลี่ยบไ้ดีนะบอกว่าเรือเนี่ยนะไม่ได้จมเพราะน้ําที่อยู่รอบเรือแต่เรือจมเพราะน้ํามันเข้าไปในเรือนะตราบใดที่น้ายังอยู่รอบเรือนะเรือไม่มีวันจม อันชั้นนั้นกับันนั้นเนี่ยแม้จะมีความโกรธความโศกความเศร้าเกิดขึ้นในใจแต่ใจก็ไม่เป็นทุกข์นะตามใดที่ต่างคนต่างอยู่นะอารมณ์ก็อันหนึง่งหรือความโกรธก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่งแต่ใจจะเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงําใจ นะหรือว่าปล่อยให้มันเข้ามาสร้างความปั่นป่วนในใจแล้วที่มันเข้ามาสร้างความปานป่วนในใจเพราะอะไรเพราะไม่มีสตินะเพราะไม่มีความรู้สึกตัวนั้นแม้ว่าเราจะเผลอถนะ้าเกิดปล่อยให้อารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ที่เป็นอกุศลแต่ก็ยังมีด่านสุดท้ายนะที่จะช่วยรักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้คือ การมีสติไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงําใจหรือไม่เข้าไปยึดถืออารมณ์นั้นยิ่งถ้ารู้จักวางได้ก็ดีเคยมีถามหลวงปู่ดูลนะตุโลว่าเนี่ยหลวงปู่เนี่ยมีความโกรธไหมคือเขาเชื่อว่าท่านเป็นพระอรหรันต์หลวงปู่ดูลเนี่ยเป็นศิษย์รุ่นแรกของหลวงปู่มั่นก็เชื่อว่าท่านใครก็เชื่อว่าท่านเป็นพระอรหันต์ก็เลยมีคนถามว่าหลวงปู่มีโกรธไหม ท่นตอบว่าไง่นตอบว่ า, วามีแต่ไม่เอาเป็นเพราะมีแต่ไม่เอาจึงไม่จึงไม่ทุกนะไม่ใช่ว่ามีแล้วจะทุกทันทีนะอยู่ที่ว่ามีแล้วเอาไหมนะหรือเข้าไปยึดมันไหมเพราะนั้นเนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจนะไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดกับทรัพย์สินเงินทอง ไม่ว่ามันจะเกิดกับร่างกายนะไม่ว่ามันจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ทันทีนะแต่ที่เป็นทุกข์เนี่ยเพราะใจของเราต้องหาอันนี้ถ้าเราไม่ไม่หมั่นมองจิตไม่หมั่นมองตนไม่หมั่นมองกายนะ มารู้กายรู้ใจนี้เราไม่เห็นนะเราจะไม่เห็นเราจะคิดว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งภายนอกนะแล้วเราก็จะหาทางหลบเลี่ยงไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้นะมากระทบกับเราไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราแต่นี้เท่าไรก็นี้ไม่พ้นนะสิ่งที่เรียกว่า อ, อ น, นิจจารมณ์เนี่ย แต่ถ้าเราพยายามหนีมันที่เราจะไม่มีความสงบสุขเลยเพราะว่าความทุกข์มันเกิดจากจิตที่ดิ้นนะไม่ว่าดิ้นเพื่อจะเอาหรือดิ้นเพื่อจะถอยดิ้นเพื่อจะผลักหรือดิ้นเพื่อจะหนีก็ตามแต่ว่าถากว่าเรานะเข้าใจนะว่าเหตุแห่งทุกข์ที่แท้เนี่ยมันอยู่ที่ใจในที่ทุกข์เนี่ยเป็นเพราะใจของเราต่างหากไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งภายนอกนะรถติดเนี่ยไม่ทําให้เราทุกข์ แต่ที่ทุกข์เพราะอยากจะให้ถึงที่หมายไวๆถ้าไม่มีความอยากให้ถึงที่หมายไวๆเนี่ยรถติดมันก็ไม่ทุกข์นะรถติดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ภายนอกมันไม่ทําให้เราทุกข์ไม่ทําให้เราโงดหมิ่นได้ถ้าเราไม่มีความอยากจะถึงที่หมายไวๆแต่เรื่องแบบนี้คนไม่ค่อยสังเกตนะเพราะว่าไม่ค่อยดูใจเคยถามโยมนะที่เขา หลังจากเดินจงกรมเสร็จแล้วก็เจอมดกลางทางเนี่ยแล้วก็หลายคนก็พยายามปัดนะปัดกางเกงหรือว่าปัดผ้าถุงจนเรียกว่าเดินแบบไม่สงบสุขเลยก็เลยถามเขาว่าที่ปัดเนี่ยเพราะอะไรเขาบอก ที่ปัดกางเกงนี่เพราะมดกัดตม่าว่าเขาตอบไม่ถูกนะให้นึกใหม่ก็ยังตอบว่าปัดขากางเกงหรือปัดกางเกงเพราะหมดกัดไม่ใช่หรอกจิตปัดเพราะมันมีความอยากที่จะปัดนะถ้าไม่มีความอยากนะแม้มดกัดก็ไม่ปัด แล้วทำไมถึงอยากนะก็เพื่อให้หมดเนี่ยมันหลุดจากขาแล้วทำไมอยากให้หมดเหลือขาเพราะมดกัดก็ยังไม่ถูกนะอยากให้หมดอยากปัดให้อยากให้หมดมันหลุดจากขาก็เพราะมันเจ็บและที่ถ้ามดมันหลุดจากขาไปก็หายเจ็บ ผู้งานคือพ่ออยากให้ความเจ็บมันหายไม่ใช่เพราะมดกัดนะอยากให้ความเจ็บมันหายและที่จริงเนี่ยนะที่เจ็บเนี่ยนะถามว่าเป็นเพราะมดกัดใช่ไหมมันก็ใช่นะแต่ว่ามันยังมีอีกตัวนึ่งที่ทาให้อยากจะปาดให้หมดหลุดไปจากขาหรืออยากให้ความเจ็บมันหายไป นะสิ่งนั้นคือความรู้สึกว่ากูเจ็บความรู้สึกว่ากูเจ็บในะความรู้สึกว่ากูเจ็บเนี่ยนะมันมันทำให้หลายคนทนไม่ได้ส่วนคนที่เห็นความเจ็บนะมีความเจ็บและเห็นความเจ็บเนี่ยก็จะไม่มีความอยากที่จะปัดมดให้หลุดไปจากขาเลยเพราะมันไม่เป็นมันไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นนะตัวอย่างอย่างนักปฏิบัติธรรมคนที่พูดมาตอนต้น นันที่ปัดเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะมดกัดแต่เพราะอยากจะให้เพราะหนึ่งมันมีความอยากจะปัดมดให้หลุดไปจากขาและสองเพราะมันมีความเจ็บและมันไม่ใช่ความเจ็บเฉยๆมันเพราะมีความรู้สึกว่ากูเป็นผู้เจ็บมีความสําคัญมากหมายว่ากูเจ็บและจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นเหตุที่ทำให้ปัดมดระหว่างเดินจงกรมเนี่ยนั่นคือ การขาดสติความลืมตัวพระสงฆ์ที่มีคนที่มีสติคนที่ไม่ลืมตัวนี่เขาก็จะสามารถจะเดินอย่างสํารวมได้นะแล้วไม่เดินด้วยความทุกข์ด้วยนะเขาจะเดินด้วยความรู้สึกสงบนิ่งอย่างนักปฏิบัติคนที่ว่าเน้นใจได้ว่าที่ปัดเนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะมดกัดเลยแต่เป็นเพราะความรู้สึกภายในตั้งแต่ความอยากจะปัดมดความอยากจะให้หมดหลุดจากขา ความรู้สึกว่ากูเจ็บและความขาดสติทั้งหมดนี้เนี่ยนะรวนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายในทั้งสิ้นนะมดกัดนี่เป็นปัจจัยภายนอกนะแต่ว่ามันไม่ทำให้ถ้าขาดปัจจัยภายในชื่อว่าเนี่ยในการจะเอามือปัดมดจากขากางเกียงมันไม่มีอันนี้เลยว่า พูดสุภงายคือว่าทุกเนี่ยนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมดกัดนะแต่เป็นเพราะใจใจที่ขาดสติใจที่ไปยึดมั่นสำคัญหมายว่ากูเจ็บใจที่อยากจะให้ความเจ็บมันหายไปก็เลยอยากจะให้หมดมันหลุดจากขานี่คือปัจจัยภายในเรียกว่าเป็นสมุทัยแห่งความทุกข์นะไม่ใช่มดกัดแต่ว่าคนเราเนี่ยนะมักจะ เวลามองเนี่ยก็จะมองแบบคลุมคุมมองแบบลัดขั้นตอนถ้ามองละเอียดจะเห็นเลยนะว่าไอ้ปัจจัยจริงๆเหตุปัจจัยจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นเลยอย่างที่ว่ามาอาการมองการมองเหตุแห่งทุกเนี่ยถ้าเรามองคลุมคุมมองแบบลัดขั้นตอนเนี่ยมันก็จะไปโทษสิ่งภายนอกนะเป็นทุกข์เพราะรถติดนะ ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะความอยากจะถึงที่หมายไวๆตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญแม้กระทั่งไม่ได้เป็นทุกข์เพราะความโกรธแต่ทุกข์เพราะปล่อยให้ความโกรธนเข้ามาคลองใจหรือเข้าไปยึดความโกรธว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไม่ก็ต้องไปผักไสมันเสียงดังก็ไม่ทำให้เราทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะใจเนี่ยมันไม่ยอมรับเสียงนั้นใจมันรู้สึกลบกับเสียงนั้น มันเหมือนกับลิงนะลิงเนี่ยมันเกียดกระปีมากแต่วันดีคืนที่มีคนโยนข้าวเหนียวยัดไส้กระปีให้มันโอ้มันกินข้าวเหนียวด้วยความดีใจแต่สักพักนิ้ของมันก็ติดเปื้อนกระปีลืมไม่เกลียดกระปีมากนะมันก็พยายามที่จะจากาจัดกระปีออกไปจากเนิ้วจากมือมันทํำยังไงถูถูถูถูถถ ถูกับไม้ถูกับหินถูกับเปลือกไม้ถูแลถูอีกตามด้ที่ยังมีกลิ่นอวนอยู่นะมันก็ยังถูถูจนบางทีนี่ถลอกเลยและไม่ถลอกเฉยๆนะบางทีเป็นแผลแล้วไม่แผลธรรมดาแลแผลเ ว, วิรวานเลยเพราะมันมียังมีกลิ่นกับปรี้ย่เห็นแล้วก็น่าสงสารเพราะเลือดมันก็ไหลเลยนะเต็มฝ่ามือเลยคําถามคือว่า อะไรทําให้ลิงนเนี่ยมีแผลเวอะว่าเลือดไหลเป็นทุกข์บางคนบอกกะปิไม่ใช่หรอกความเกียกกะปีต่างหากความเกียกับปีต่างหากที่ทําให้ลิงนเนี่ยเลือดไหลไม่ใช่กะปีปีไม่ทําให้ลิงนเนี่ยมันทําร้ายตัวเองอยู่แล้วแต่ความเกียกับปีแล้วความเกียกับปีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจอะไรคือสมุดไทยแห่งความทุกข์ของลิงนะอะไรทําให้ลิงเนี่ ย, นนยมีแผล ไม่ใช่กะปิกะปอยู่ข้างนอกแต่ความเกลียดก็ปิอยู่ข้างในในใจนะครับคนเราก็เหมือนกันนะเราก็ไม่แต่งจากลิ้งหรอกนะเพียงแต่ว่าคนเรานี่มีความสามารถอย่างนั้นคือเมื่อเรามีความสามารถในการรู้ทันถ้าเรารู้ว่าเราเกลียดอะไรแล้วเราตระหนักว่าความเกลียดนั่นแหละที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เราก็สามารถปรับใจจากความเกลียดให้กลายเป็นความปกติได้ เหมือนผู้ชายคนแรกเนี่ยนะที่เขาดเดินเสียงเลื่อยยนทีแล้วเขาทุกขเเเ์เพราะเขาเกลียดเสียงเสียงดังแต่พอเกามีสตินะเขาเปลี่ยนจากความเกลียดเสียงให้กลายเป็นความพอใจในเสียงเพราะหมอก็เป็นเสียงเพลงใจก็หายงุดหยุดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชั้นะว่าเนี่ยสมุทรไทยแห่งทุกข์เนี่ยมันที่ใจนะไม่ใช่ที่ข้างนอก แล้วเราจะรู้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรามาเฝ้ามองเฝ้าดูนะกายและใจมันมองตนอยู่เสมอในการปฏิบัติธรรมหรือว่า ก, การจดสติมันทำให้เราเห็นเลยนะว่าร่างว่าแห่งความทุกข์หรืสมุทยัยแห่งทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเรานะถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะวางใจให้ถูกไม่ว่าจะเป็นการปล่อยวางไม่ว่าจะเป็นการรู้ซื่อๆดูเฉยเ นะอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนให้รู้ซื่ อ, อ, อไม่ผักสายไม่ไหลาตามหรือแค่เห็นไม่เข้าไปเป็นมันก็ช่วยทำให้นะความทุกข์เนี่ยมันบรรเทาเบาบางลงได้ไม่ใช่แค่ว่าความโกรธหายไปความโกิดหายไปเมื่อมีสติแต่แม้มันยังอยู่แต่มันก็ทำอะไรจิตใจไม่ได้เพราะว่าแค่รู้หรือเห็นมันเฉยเฉไม่ผักสเมื่อไม่ผักสายมัน มันก็ไม่สามารถจียำหน้ามาคลองใจเราได้นั้นถ้าเราหมั่นมองตนอยู่เสมอเราจะเห็นนะความทุกข์เหตุแห่งทุกข์อย่างชัดเจนเราจะเห็นได้ละเอียดขึ้นนะจะไม่มองคลุมคุ ม, มนะการมองแบบพุทธเนี่ยนะคือการมองแบบละเอียดนะเห็นนะเป็นขั้นเป็นตอนนะเห็นอย่างประณีตไม่ใช่เหมารวมไม่ใช่มองคลุมคลุม มันะถ้ามองคคุมเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยเยที่เอามือปัดกางเกงเพราะมดกัดแต่ถ้ามองละเอียดนี่จะพบว่าไม่ใช่เลยสาเหตุทั้งหมดนี่อยู่ที่ใจทั่านั้นเลยนันที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อเรื่อนะี้ถ้าปฏิบัติแล้วเรามองไม่เห็นว่าเหตุแห่งทุกข์อที่ใจนะมันการปฏิบัติองลรามก็เรียกว่าผิวเผินะก็เป็นเพียงแค่การทำตามรูปแบบหรือว่าการทำโดยไม่เข้าใจอะไรแต่ถ้าเรา มองเป็นนะมันก็จะเห็นเลยนะว่าเห็นงทุกอย่ที่ใจแล้วก็วางใจให้ดีปรับใจให้ถูกนะมีสติใจมันก็ไม่ทุกข์อา่อาทั้งคืนนี้ก็อนุมโมทนานะทีา่พวกเราไม่ว่าจะเป็นพระแม่ชีญาติโยมมาปฏิบัติธรรมเพื่อบูชาคุณของหลวงพ่อก็เชื่อว่าความเพียรที่เราได้ ทำในวันนี้ความตั้งใจที่เราได้ทุ่มเทกอบการปฏิบัติในวันนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดอ น, นิสงส์ในการที่ทำให้เราเห็นตนชัดเจนและเห็นทางออกจากทุกข์นะก็ขอให้ความเพียรความตั้งมั่นในการพาจิตพาใจออกจากทุกขนะ์จงประสบความราบรื่นก้าวหน้าจนสามารถออกจากทุกข์ได้และเข้าถึงนะ คำพูดของหลวงพ่อที่ว่าทุกคนมีสิทธิที่จะไม่ทุกข์และเราก็สามารถจะใช้สิทธินี้ได้